5. อาเจละเกะว่าเมหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสักยะเรื่องพระเจ้ามหานามสักยะ303สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสักยะมีเพศสัตว์เหลือเฟือลำดับนั้นพระเจ้ามหานามสักยะ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระเจ้ามหานามะสักยะผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามอมฉันประสงค์จะปวารณาทรงด้วยเพศัดตลอดสีเดือนพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปวารณา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 ภิกษุทั้งหลายออกป่ากขอเพศัตว์กับพระเจ้ามหานามสกยะเพียงเล็กน้อยเพศสัตว์ของพระเจ้ามหานามสกยะก็ยังมีเหลือเฟืออยู่เหมือนเดิมแม้ครั้งที่สองพระเจ้ามหานามสกยะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระเจ้ามหานามสกยะผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า หม่อมชันประสงค์จปะปวาราณาสงฆ์ด้วยเพศัดต่อไปอีกสีเดือนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาทุสาทุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปวาราณาสงฆ์ด้วยเพศัดต่อไปอีกสีเดือนเถิดพวกภิกษุมีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับปวาราณาภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา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 แล้วนั่งหน้าที่สมควรพระเจ้ามหานามสกยะผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าม่อมฉันประสงค์จะปรนนาสง์ด้วยเพศสัตว์ตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปรณาสง์ด้วยเพศสัตว์ตลอดชีวิตเถิดพวกภิกษุมีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับปรณนาภิกษุทั้งหลายนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีการปรวรณาเป็นนิสสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพักีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยอากับกิริยาไม่เรียบร้อยพระเจ้ามหานามสกยะจึงว่ากล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายทําไมพวกท่านจึงนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อย อากับกริยาไม่เรียบร้อยเล่าทำเนียมบรรพชิตต้องนุ่งให้เรียบร้อยผมให้เรียบร้อยและมีอากับกริยาเรียบร้อยมิใช่หรือพวกพิสูจน์ชาวพคีแค้นเครืองพระเจ้ามหานามสกยะทีนั้นพวกพิสูจน์ชาวพคีได้ปรึกษากันว่าพวกเราจะทําให้พระเจ้ามหานามสกยะได้รับความเก้อเขินด้วยวิธีไหนจึงปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายพระเจ้ามหานามสกยะปรณนารงด้วยเพศัต พวกเราจะไปออกปากขอเนอยใสยกับพระเจ้ามหานามสกยะลําดับนั้นพวกพิสูจนชาวบัคีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหานามสกยะถึงตำหนักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเจ้ามหานามสกยะดังนี้ว่าโยมพวกอัตมาต้องการเนยใสยหนึ่งทนานพระเจ้ามหานามสกยะรับสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนพวกคนงานกําลังไปที่คอกเพื่อจะนำเนยใสยมา พวกเขาจะนํามาให้ทันเวลาแม้ครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สามพวกภิกษุชาวคขีก็ได้กล่าวกับพระเจ้ามหานามสกยะดังนี้ว่าโยมพวกอาตมาต้องการเนยใสยหนึ่งทานานพระเจ้ามหานามสกยะราบสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนพวกคนงานกำลังไปที่คอกเพื่อจะนําเนยใสายมาพวกเขาจะนามาให้ทันเวลา พวกภิกษุชาวพาคีกล่าวว่าโยมท่านไม่ต้องการถวายแล้วปรวนน่าจะมีประโยชน์อะไรปรนรณาแล้วไม่ถวายครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสกยะได้ตําหนิประนามโพนทนาว่าพระคุณเจ้าทั้งหลา ย, ายนณะเมื่อข้าพเจ้าขอร้องว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนจึงรอไม่ได้เล่าพวกภิกษุได้ยินพระเจ้ามหานามสกยะตําหนิ ประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าพระเจ้ามหานามสกยะขอร้องพวกภิกษุชาวพคีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าปรดร อ, อก่อนฉะนั้นจึงรอไม่ได้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ